24. อุปสมปาเทตรพรช ก, กะว่าด้วยองค์6แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท14หมวดเรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์6กันหาปัก1ข้อ8 5ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6ไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณีนอุปถาคือ 1>, 1ไม่ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเศขะ 2. ไม่ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเศขะ 3. ไม่ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเศขะ 4. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเศขะ5ไม่ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนคันธ์อันเป็นอเศขะ 6. มีพรรษาย่อน10ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6เหล่านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัย ไม่พึงใช้สมณเนอุปถาะวงเล็บ1สุกปัก1ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยเพึงใช้สมณเนอุปถาะคือ 1. ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเศขะ 2. ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเศขะ 3. ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเศขะ 4. ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเศขะ 5ประกอบด้วยวิมุตติยานทัศนคันอันเป็นอเซฆะหกมีพรรษาครบ10หรือมีพรรษาเกิน10บภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6เหล่านี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณเนนอุปถากรวงเล็บสองกันหปัก2ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมนิลุปทาคือ 1. ตนเองไม่ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเศขะและไม่ชักชวนผู้อื่นในศีลขันธ์อันเป็นอเศขะ 2. ตนเองไม่ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเศขะและไม่ชักชวนผู้อื่นในสมาธิขันธ์อันเป็นอเศขะสตนเองไม่ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเศขะและไม่ชักชวนผู้อื่นในปัญญาขันธ์อันเป็นอเศขะ สตนเองไม่ประกอบด้วยวิมุตติขันอันเป็นอเสคะและไม่ชักชวนผู้อื่นในวิมุตติขันอันเป็นอเสคาห้ตนเองไม่ประกอบด้วยวิมุตติยานทัศนคันอันเป็นอเสคะและไม่ชักชวนผู้อื่นในวิมุตติยานทัศนคันอันเป็นอเสคาหกมีภาษาย่อน10ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6เหล่านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัย ไพึงใช้สมณินอุปถากรวงเล็บ3สุกปัก2ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6กพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยเพึงใช้สมณินอุปถาคือ 1. ตนเองประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอาสะขะและชักชวนผู้อื่นในศีลขันธ์อันเป็นอเสะขะ 2. ตนเองประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอาสะขะ และชักชวนผู้อื่นในสมาธิขันอันเป็นอเศขะ 3. ตนเองประกอบด้วยปัญญาขันอันเป็นอเศขะและชักชวนผู้อื่นในปัญญาขันอันเป็นอเศขะ 4. ตนเองประกอบด้วยวิมุตติขันอันเป็นอเศขะและชักชวนผู้อื่นในวิมุตติขันอันเป็นอเศขะ 5. ตนเองประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนคันอันเป็นอเศขะและชักชวนผู้อื่นในวิมุตติญาณทัศนคัน อันเป็นอเศษขะ 6. มีปภาษาครบ10หรือมีปภาษาเกิน10ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณิอุปทานวงเล็บ4กันหับปัก3ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัย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 5. สุกปัก3ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6พึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณีนอุปถาคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีฮิริ 3. เป็นผู้มีโอตปะ 4. เป็นผู้ปรารุบความเพียร 5. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น 6. มีภรษาครบ10บหรือมีภรษาเกินสิบ ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สามเณรอุปถากวงเล็บ6กันหับปัก4ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 6, แ ม, ค 6. ค 6. แม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สามเณรอุปถาก ค, คือ 1. เป็นผู้มีศีลบิบัติในอธิศีน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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณิอุปทาคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศิลวิบัติในอธิศีล 2. เป็นผู้ไม่มีอาจารวิบัติในอัจฉาจารย์ 3. เป็นผู้ไม่มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ 4. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก 5. เป็นผู้มีปัญญา6มีภรษาครบ10หรือมีภรษาเกิน10ภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณินปภัณาคือ 1. ไม่สามารถฝึกปรืออันเตวะสิกหรือสัททิหาริกในอภิสมาจาริกาสิกขา 2. ไม่สามารถแนะนําในอาธิพรหมจาริกาสิกขา 3. ไม่สามารถแนะนําในอภิธรรม4ไม่สามารถแนะนําในอภิวิไนห้าไม่สามารถเปลื้งความเห็นผิดอันเกิดขึ้นโดยธรรม 6. มีพรรษาหย่อน10ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6เหล่านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณินอุปถาวงเล็บ11สุกปัก 6. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6พึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยเพึงใช้สมณินอุปถาคืคอ 1. สามารถฝึกปือ่อันเตวสิกหรือสัตทธิวิหาริกในอภิสมาจาริกาสิกขาสองสามารถแนะนำในอาทิพรหมจาริกาสิกขาสามสามารถแนะนำในอภิธรรมสสามารถแนะนำในอภิวินัยห้าสามารถเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นได้โดยธรรมหกมีภรษาครบสิบหรือมีภรษาเกินสิบิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณีนอุปถาภวงเล็บ12กันหปัก7ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณีนอุปถาคือ 1. ไม่รู้จักอาบัตสอไม่รู้จักอนาบัติ 3. ไม่รู้จักอาบัตเบา 4. ไม่รู้จักอาบัตหนัก 5. ้าจำปาติโมกทั้งสองโดยพิสดาลไม่ได้ดีจำแนกไม่ได้ดีไม่คล่องแคล่วดีวินิจใช้โดยสุตตะโดยพยัญชนะไม่ได้ดี 6. มีภรรษาย่อนส0ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณินอุปถากวงเล็บ13สุกปัก7 ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมบนันณอุปถาคือ 1. รู้จักอาบัตสอรู้จักอนาบัติ 3. รู้จักอาบัตเบา 4. รู้จักอาบัตหนักห้าจำปาทิโมกทั้งสองโดยพิสดารได้ดีจำแนกได้ดีคล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะหรือโดยอนุพยัญชนะได้ดี มีภรรษาครบสิบหรือมีปรรษาเกินสิบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณ น, น, นอุปถากวงเล็บสิบสี่อุปสัมปาเทตรพรชกกะสิบสี่หมวดจบ